ก่อนเล่ช่วยสัตว์โลกพระไทยของพระพุทธเจ้าสะอาดบริสุทธิ์อาศัยความบริสุทธิ์สะอาดภายในพระไทยของโลกพิกเจริมาด้วยสัพพนิสตายานรู้แจ้งแทงตลอดออเนี่ยเพราะฉะนั้นกระแสแห่งความบริสุทธิ์กระแสแห่งความเมีตาที่เขี่ยมล้นอยู่ในพระไทยของพระองค์ ก็จะทําให้สถานที่เป็มไปหมเมื่อเรามาถึงสถานที่แล้วเราก็ต้องทําใจของเราปรับใจเราให้สะอาดเหมือนพระไทยของพระองค์ถึงเรายังทําไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเราอาศัยอาศัยสถานที่ว่าเออพระบุตรเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ได้อาศัยพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเพราะ การที่พระองค์ได้ปฏิบัติธรรมในเจริญสติได้สร้างสมบูรณ์สมบับารมีมาจนเต็มที่แล้วจนรู้แจ้งแทงตลอดสามารถใส่วางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากพระทัยของพระองค์ได้จนพระทัยของพระองค์เข้าสู่คาบริสุทธิ์จริงเมื่อเรามาถึงสถานที่ ของพระ อ, องค์แล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการชำระใจเรานั่นก็คืออะไรที่มันมันรู้สึกว่ามันลุงลังอยู่ในจิตใจของเราเราก็เอาสติเข้าไปเอาสติเข้าไปดูเข้าไปควบคุมปิตของเราเนี่ยให้อยู่กับตัวเราเรียกว่าให้จิตของเราเนี่ยมีความมั่นคงขึ้น ให้จิตของเราเนี่ยมันมีความสงบมีความมั่นคงมีความแน่วแน่เพราะธรรมชาติของใจมันมีความรวดเร็วมากพอมันได้ยินอะไรปฏิกิริยาของจิตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิกิริยาของจิตมันเกิดขึ้น ในทามกุศลก็าตามอากุศลก็าตามท่านจึงให้เรารู้อยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆว่ามันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสังขารไปกลายเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปุงแต่งมันไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเราเฝ้าดูมันเนี่ยไอตัวจิตเนี่ยมันรวดเร็วอะพอมันเห็นทับเนี่ยสติของเรายังไม่ทันนะบางทีมันว่าออกไปก่อนแล้ว เนี่ยมันไปวิาพากษวิจารณก่อนแล้วบางทีมันด่าออกไปเลยในจิตของเราเนี่ยอ่าบางทีมันดา่าบางทีไม่ได้ด่าเฉยๆนะบางทีเนี่ยมีวโนภาพขึ้นมาเลยนะยังจําได้นะสมัยที่บวชอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์มันก็มีเนนคนนึงเขาเนี่ยก็เป็นเนนที่ชอบแกงชอบแกงพระบางองค์อะไรอย่างเนี้ย เป น, เนดื้คุณง่ายๆ ไ, ไม่ค่อยเชื่อฟังใครบางทีเวลาเขามาทําอะไรกับเราอย่างเนี้ยโอ้โหเราเห็นปฏิยาของจิตในหน้ารังเกียจมากเลยนะตีเข่าเลนเฉยเลยนะแต่ไม่ทีจริงๆนะในใจเนี่ยมันเอาเข่าเนี่ยกระทุง้งกระทุ้งก้นเนนเลยบอกโอ้โหเห็นจิตเราขนาดนี้เลยเหรออาะแต่ว่าตอนหลังมาเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องของจิตมันห้ามไม่ได้ เราก็ไม่ได้อยากทำหรอกแล้วเราก็ไม่ได้ทําจริงๆด้วยก็เลยจําจําเอาไว้ว่าห อ, อธรรมชาติของจิตเนี่ยันเป็นอย่างนี้มันเร็วอย่างนี้เองนะเนี่ยเพียงแต่เราอย่าไปยึดมันว่าไอไออากุศลที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเราไปถ้าเราไปกังวลกับมันเนี่ยเนี่ยทีแรกมันเกิดเองนะมันเกิดเองแล้วอกุศลอันเนี้ยทีนี้เราไปซ้ําเติมตัวเองเข้าไปอีกอะ่ะ เราไปกังบลกับธรรมชาติของจิตที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันน่ะเรารู้ไม่ทันไปอไปอไปประธานก็ซ้อนเข้ามาอีกอะ่ะแล้วก็ปรุงแต่งไปอีกอะ่ะเราแย่แล้วอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันก็เรื่นซ้อนขึ้นมาซ้าเติมจิตเรามากขึ้นมากขึ้นอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของความหลงที่มาว่ามันมีตัวเรามีของเราอะ่ะทีแรกมันเกิดเองโดยธรรมชาติเนี่ย มันเป็นปฏิยาของจิตก็คือจิตที่มันมีความหลงอยู่ในในนั้นแหละที่มันมีอวิชชาอยู่ในนั้นแหละอามันปรุงแต่งทีนี้ถ้าหาว่าจิตก็าอาหารละ่ะท่านมีแบบนี้บ้างไหมบางทีก็มีเหมือนกันแต่มันไม่รุนแรงแต่ว่าท่านไม่สนใจมันหรอกมันก็ไปตามนิสัยของจิตอ่ะตามความเคยชินของจิตนะเรียกว่าพิยาของจิตเรียกปฏิกริยาของจิตก็ได้ท่าไม่สนใจท่าไม่ทําตามแรับบางที บางทีท่านก็พลิกเปลี่ยนเป็นเมตตาท่านเปลี่ยนเป็นกรลลุณา <c oughs> คือคือสามารถที่จะปรับจิตได้เปลีป่ยนจิตได้เพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเราสามาร ถ, าารถปรับได้เราสามารถเปลีป่ยน <c oughs> ได้นะอย่างเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันอ่อนแอจิตของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่มันมันมันอ่อนแอเวลากระทบอารมณ์มากๆอ่ะจิตมันเศร้าหมองจิตมันเหนื่อยล้า จิตมันอยากจะเรียกร้องความเห็นใจอะไรสักอย่างนีก็คือตัวตนนั้นแหละมันออกไปมันต้องการให้มีสิ่งหรือมีคนมีใครที่มารู้มาเห็นมาเข้าใจเอาอกเอาใจปลาเล้าปลลมจิตใจเนี่ยนี่คือมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็เลยอยากจะพึ่งข้างนอกพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้พึ่งสิ่งสักดิ์สิทธื่อพึ่งเครื่องล่างของขังเนี่ย แต่พระพุทธเจ้านี่สอนให้พึ่ตนเองซึ่งตนเองก็พึ่จิตใจของเราที่มันมีสติมีสมาธิคือความตั้งมั่นของใจมีปัญญาที่รู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเราขอแค่ว่าเรามีสติรักษาใจให้มั่นคงแล้วก็มันจะเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป ก็เห็นว่ามันเป็นสังขารละขันก็ได้เนี่ยจะพูดหรืไม่พูดก็ตามอา่ะไอไอไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดับไปจะเรียกว่าสังขารละขันกองแห่งสังขารก็ได้เรียกว่าสิ่งที่เกิดจากเหตุปจัจจัยปรุงแต่งก็ได้เป็นสิ่งที่มันมันเกิดเองดับไปเองก็ได้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งก็ได้เนี่ยถ้าพอหารหขันแล้วก็ท่านจะรู้ชัดเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่ทุกข์เนาะเกิดขึ้นก็ดับไปที่เกิดเองก็ดับเองทสิท่านไม่ใส่ใจต่อไป หรือบางทีถ้าหากว่าเออมันมีเหตุการณ์นะบางทีสิ่งแวดล้อมอ่ะเราเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เรายังจําเป็นต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันนั้นแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนั้นท่านต้องพลิกจิตทันทีเลยเอาประโยชน์จากเหตุการณ์เลยปรับจิตให้มีเมตตาปรับจิตให้มีปัญญาปรับจิตเอาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้ได้เนี่ย จะต้องย้ากับกจิตใจของตัวเองให้ได้เพื่อเราจะได้ประโยชน์อะไรนะจากเหตุการณ์อันนี้จากสื่อแวดล้อมอันนี้อมาครั้งนี้เมื่อมีอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจะไม่ยอมให้มันขาดทุนถ้าหาัวจิตเราเศร้าหมองอจิตเราเนี่ยอ่อนแอจิตเราท้อแท้จิตเราไงนายหมดกําลังใจอันนี้ขาดทุนแล้วแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยมันเสียประโยชน์ เนี่ยจิตของเราเองอ่ะด้านหนึ่งอ่ะเสียประโยชน์ด้านหนึ่งได้ประโยชน์ก็คือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมาพลิกจิตเปลี่ยนจิตเราให้เข้มแข็งเปลี่ยนจิตเราให้เป็นปัญญาสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทีนี้มันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรารับมือไม่ถูกวางท่าทีไม่ถูกนะแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยกลายเป็นโทษจิตเศร้ามองอ่าจิต เกิดเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความโกรธเคืองเกิดความขั่งแค้นขึ้นในจิตใจพยาบาทขึ้นในจิตใจเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะสร้างพิธีมานะขึ้นมาในจิตใจได้เพราะฉะนั้นคืเ อ, อเราวันนี้มาถึงสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ประทับของพระพุทธเจ้าลํำลึกถึงความเป็นพระพุทธเจ้า คุณมาสมบัติที่ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอันดับแรกเลยแล้วก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณนพระปัญญาที่คุณแล้วก็พระกรุ ณ, า ท, ณรท า, รญญาที่คุณเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระปัญญาทั้นรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยเรียกว่าปัญจตระปัญญาสูงสุด เป็นปัญญาที่มันรู้สูงสุดก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรเลยที่มันจะเป็นตัวเราเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุใจมันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็เกิดขึ้นได้เมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ผ่านไปได้มันก็ดับไปได้เนี่ยสมัยที่ยังปฏิบัติใหม่ๆ ก็ใช้ปัญญาช่วยพิจารณาเพื่อให้จิตเนี่ยมันสงบตอนนั้นยังไม่ใช่ปัญญาที่มันรู้แจ้งแต่เป็นปัญญาที่เอาความจริงน้อมมาพิจารณาเข้ามาในใจแล้วใจมันปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยมันเกิดความสงบอยู่ภายในเพื่อทําให้จิตตั้งมัน่นก่อนแลนึกถึงนึกถึงต้นไม้เนี่ยทีแรกนึกถึงตัวเองมันยังไม่เข้ามาหาตัวเอง นึกถึงต้นไม้โอ้แต่ก่อนมันไม่มีเลยนะต่อมามันมีน้ํามีอุณหภูมิมีแสงแดดมุณภูมที่เหมาะสมมีปุ๋ยมีดินเนี่ยมันอกขึ้ว่าต้นนิดเดียวนิดเดียวนี่แทบจะไม่คาดไม่หวังเลยว่ามันจะเป็นต้นใหญ่โตเอามาใช้ทําประโยชน์ได้แต่พอมีมความเหมาะสมแล้วมันก็จเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ต้นใหญ่ สุดท้ายมันก็ต้องแก่ลงไปนต้นไม้บางต้นยืมต้นอืยืมต้นตายตายเรียกวเป็นไม้แก่ร่อนยืนตายน้ําเข้ามาโอ้สุดท้ายมันก็ต้องแตกดับสลายไปเสร็จแล้วมันก็ปับเข้ามาหาตัวเองเออเราล่ะแต่ก่อนเป็นยังไงมันก็นึกถึงว่าเออตัวเรานี่นะอ่แต่ก่อนเนี้ย มันยังไม่มีหรอกธาตุพ่อธาตุแม่ปั๊บเนี่ยเจอกันเหตุปัจจัยถึงพร้อมจิตวิญญาณสวมเข้าไปปั๊บทันทีเลยเนี่ยธาตุพ่อธาตุแม่เนีฝ่ายลูกเนี่ยลูกลูกประคันเนี่ยต่อเกิขึ้นเสร็จแล้ววิญญาณนะขันเนี่ยวิญญาณเนี่ยปั๊บเข้ามาอาศัยในลูกอันนั้นรูป ก, กับนามก็มาร่วมกันในจิตใจของแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยที่เกิดขึ้นมา มันก็มีอํานาจของกรรมมีอานาจของกรรมที่สะสมไว้ในจิตดวงนั้นอ่ะไอไอไอไอกรรมวันนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นรูปร่างหน้าตา ต, าตา่างๆถ้าใครเคยให้ทานมารักษาศีลมาภาวนามาอย่างอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตามันก็ออกมาดีเนี่ยใครเคยช่วยเหลือสัตว์อืินอะไรอย่างเงี้ยถ้าหาว่าใครเคยทําร้ายทําลายเบียดเบียนสัตว์อืู่ทําอกุศลมากๆอย่างเงี้ย ร่างกายกับพิกลพิการเนี่ยออกมาเนี่ยจิงว่าน้ำเนี่ยจิตเนี่ยมันมีกรรมอยู่ในนั้นแล้วกรรมนามเนี่ยมันก็มาปรุงแต่งรูปออกมาเป็นลักษณะต่างๆรวมทั้งพวกสติปัญญาอะไรก็เหมือนกันอ่ะมันก็มาจากเนั่ยแหละจิตเนี่ยที่มันสะสมกรรมเอาไว้เนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านล่วงรู้แน่ชัดท่านถึงสอนให้เราเนี่ยไอ่ทำแต่สิ่งที่ดีอ่ะสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้ทํา นะความชั่วไม่ให้ทำให้ทำความดีแล้วที่สำคัญให้ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วก็คือชำระจิตของเราให้ขาวรอดเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ตราบใดที่มันมันยังไม่สามารถชำระจิตได้จิตไม่ส ะ, สะอาดไม่บริสุทธิ์หมดจดได้เนี่ยมันก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยถ้าหากว่าสามารถชาระจิตให บริสุทธิ์ได้เนี่ยมันจะพ้นจากการเรยีนย่ายตายเกิดมันจิดตดวงนั้นจะอยู่เหนือกรรมทันทีเลยทําอะไรลงไปเนี่ยจิตจะไม่ยึดไม่ติดไม่ค้องสิ่งที่ทําลงไปเป็นแค่กิลียร์ยาเท่านั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าเวมืนเรามีตาปั๊กเนี่ยถ้าหาวตาของเราีเป็นเห็นสิ่งท้่ไม่ดีนี่แหละคืกรรมเก่าทางตามันเกิดขึ้น เนี่ยกรรมเก่าเนี่ยที่ได้มาเนี่ยท่านบอกว่ามันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่เองนี้คือกรรมเก่าท่านว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้กรรมเก่าของเราเวลาใช้กรรมอ่ะทางตาเห็นสิ่งไม่ดีปักนั่นก็คือแสดงว่ากรรมเก่าที่ไม่ดีมันให้ผลแล้วเนี่ยถ้าครับว่าปรุงแต่งต่อไปในทางไม่ดีเศร้าหมองอันนั้นเป็นกรรมในปัจจุบันมันเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนีมีทั้งกรรมในอดีตมีทั้งกรรมในปัจจุบัน ถ้าหากว่าเราจะอยู่เหนือกรรมสติของเราต้องรู้เท่าทานกระแสจิตของเราให้เห็นสักแต่ว่าให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นสั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละถ้าหากว่าเราเฝ้าสํารวมจิตใจเฝ้าสังเกตดูจิตใจเนี่ยธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาจากจิตใจนี่แหละมาจากพระไทยของพระองค์ก่อนเรียนรู้จากพระไทยของพระองค์เองเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ทั่วถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาปฏิบัติจิตใจของเรามาชำระจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็นตามนะบางทีหูเนี่ยมันได้ยินสิ่งที่มันไม่ดีมันละบภัยเคืองมันทําให้เราเป็นทุกข์นี่ท่านว่ากรรมเก่าทางหูอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจึงสร้างทุกข์โทษให้กับเราได้เนี่ยเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกเออ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือกรรมป่ะมีมีหลายสูตรหลายพระสูตรที่พูดลักษณะอย่างนี้แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจนะไว้ทำไมน ะ, ะเราก็นึกถึงแต่ว่าเจ อ, อ, อเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ถ้ามันไม่ดีกับกรรมเก่าที่เราทำไม่ดีมาเนี่ยมันให้ผลแต่ทีนี้พอมาศึกษาละเอียดเข้าไปโอ้มันเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเลยถ้าหากว่า คือเราเคยทำกรรมไม่ดีทางตามาอย่างนี้หรือทางหูมาอย่างนี้มันก็ให้ผลในทางที่จะได้ยินหรือเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งที่มันละกเคอคายเค่อนจิตใจของเราทีนี้ถ้ายิ่งเราไปทำกรรมที่มันไม่ดีในปัจจุบันเข้าไปอีกกรรมในปัจจุบันที่เราทำมันก็ทาให้เกิดผลในอนาคตได้อีกเนี่ยจริงว่า อดีตเหตุคือกรรมในอดีตก็ทําให้เกิดผลในปัจจุบันที่เราพบทางตาว่างทางหูบงังทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยส่วนปัจจุบันเหตุคือสิ่งที่เราทําในปัจจุบันก็จะกลายเป็นอนาคตผลต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือต้องพยายามมีสติรู้ ไห้เห็นการกระทําของเราเนี่ยเป็นสัต์แต่ว่านั่นก็คือมีสตนะิเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยท่านกึงชี้ลงมาว่าเออไม่ว่าตากระทบรูปหออูกระทบเสียงได้ยินเสียงจมูกรู้สึกกลิ่นลิ้นรู้สึกรสกายถึงต้องสัมผัสมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็สัตแต่ว่าหรือว่ารู้แจ้งอารมณ์ทางจิตใจก็สัตแต่ว่ารู้เนี่ย ถ้าทําอย่างนี้ได้ไอ้กรรมเนี่ยมันก็จะดับไปมันไม่มีกรรมเกิดขึ้นเป็นแค่กิริยาเป็นแค่ปฏิกิริยาของจิตเพราะฉะนั้นเวถ้าหาว่าเรามีสติสังเกตใจเราอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันมันก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นปฏิกิริยาของจิตมันเป็นธรรมชาติของจิตมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยเราก็จะปล่อยวางไปเรื่อยๆใจเราก็มีความสุขใจเราก็มีความสงบเนี่ย ทีแรกมันก็สงบก่อนทีนี้ความสงบเนี่ยมันมันก็มีมีหลายขั้นนะสงบลงไปนะถ้ามันยังไม่ลึกซึ้งก่อนอย่างน้อยจิตเราก็อยู่กับตัวเราซะก่อนนะมันก็ยังยังดูกายเรียกว่าดูลมหรือว่าดูลมอย่างนี้นเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะรเราแอดระวังจิตไว้ไม่ให้ไปไหนเนี่ยอันนี้เรียกว่าวิจารมีวิตกมีวิจารนะเกิดความสบาย มีความมีอาการต่างๆตัวชิ้นทางร่างกายขนลุบบางขนจานบ้างปีติบ้างสู้ซาบ้างใจก็สบายอิม่ม อ, อกอิ่มใจขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าปีติมันก็มีปีติขึ้นมาปีตินี่มันยังมีอาการทางกายแทรกอยู่นีม้มันก็ยังหนักอยู่ทีนี้ถ้าหากวันลึกซึ้งเข้าไปทางจิตใจมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นความสุขนะ เป็นความสุขความสบายอยู่ภายในอ่เพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมมันถึงมีความสุขอ่ ะ, อะเพราะมันเป็นหลักแห่งธรรมชาติมันเป็นองค์ประกรอบของผู้ปฏิบัติเรียกว่าองค์แห่งสมาธิอันหนึ่งเรียกว่าสุขก็ได้เนีทีนี้เมื่อมีความลึกซึ้งเข้าไปอีกเนี่ยจิตมันก็วางทั้งสุขวางทั้งทุกข์แล้วก็เป็นอเบขามีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของจิตเนี่ยเวลาปฏิบัติเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ามองในแง่เปรียบเทียบกับน้ำฉนันว่าถ้าหากว่าจิตสงบเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำที่ไม่มีลมพัดอ่ะอมันสงบมันนิ่งมันนิ่งน้ำถ้ามีลมพัดมันก็เป็นคลื่นกระทบฝั่งเนี่ยเป็นคลื่นซัดไปมาซัดไปซัดไปแต่ถ้าหากว่าลมไม่มีไม่มีลมน้ำสงบนิ่งเนี่ยมีเรว่ามีไวเหมือนจิตเราที่มันสงบมันนิ่งและมันก็ใส นี่ใสมันจะมองเห็นนะน้ำใสมองเห็นมันมีอะไรอยู่ในน้ําเนี่ยจิตเราถ้ามันใสแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นเหมือนกันนะจิตเนี่ยมันมีปฏิกจจัยยังไงมันมีความรู้สึกยังไงมันมีอาการยังไงเราก็จะเห็นในจิตของเราเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะจิตเนี่ยมันจะสะสมความรู้ความเข้าใจว่าเออพวกนี้เกิดแล้วก็ดับนะ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเนี่ยอาการที่มันรู้จักปล่อยวางเนี่ยมันจะมีขึ้นในจิตเองอ่ถึงบอกว่าไอ้ตัวจิตเนี่ยถึงมันพูดไม่ได้แต่ว่ามันรับรู้ได้มันมันเข้าใจได้โดยธรรมชาติของจิตทีนี้มันมันภาษาใจเนี่ยที่มันรู้ด้วยใจเนี่ยมันลึกซึ้งเข้าไปอยู่ในจิตใจอ่ะมันรู้ด้วยใจอ่ะบางทีมันพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้แต่ในใจเนี่ยมันรู้ มันรู้บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเนี่ยสบายขึ้นรู้สึกว่าเราเนี่ยเบาขึ้นรู้สึกว่าเราเริ่มรู้เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นบางทีคันจะหยิบมาพูดเนี่ยแม้มันมันมันพูดไม่ออกก็มีนอกจากว่าคนที่มีความรู้ทางปริยตัติบ้างหรือได้ยินได้ฟังมากขึ้นก็มีความเข้าใจแล้วก็เอาเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง มันเหมือนกับมาอธิบายสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราไดา้ความเข้าใจก็มากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยมันจึงต้องได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทีนี้จิตใจที่มันที่มันสงบก็เลยเหมือนกับน้ำเนี่ยที่มันไม่มีลมพัดเนี่ยมันสงบนิ่งแล้วก็น้ําใสเนี่ยน้ําน้ําไม่มีไม่มีโคลนตมมันไม่ขุ่นมันใสเนี่ย มันก็มองเห็นสิ่งต่างๆนะที่ที่อยู่ในจิตในใจของเราได้ทีนี้เราเราก็เข้ามาสังเกตดูใจเรานี่แหละการที่ใจของเราเนี่ยมันมีมันมีอารมณ์ต่างๆนะที่มันมันค่อยดับลงไปน้อยลงไปมันหรือมันไปสังขานระงับไปแต่ใจก็สงบใจก็นิ่เนี่ยเนะนะละใจมันก็ ใส่ใจก็บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์นี่มันเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวพนะ่ะเนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วท่านบอกว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งมันมีความนุ่มนวลมีความนุ่มนวล น, นิ่มนวลอยู่ในจิตใจใจที่เคยแข็งกระด้างใจที่เคยมีอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในใจเครียดคัดอยู่กับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันผ่อนลงผ่อนคลายลงไปผ่อนคลายลงไ ป, ลลงไปแล้วมันก็นุ่ม เป็นในจิตใจของเรานี่มันเป็นภาษาใจอ่ะมันเป็นกริยาของใจเราพอมันรุ่มนวนท่านมันควรแก่การงานมันก็มีอยู่ทีนี้มันจะมีสติก็รู้สึกว่าคล่องตัวนะที่นี่อ่ะอ่ะอิจก็เริ่มเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่ามองไปที่ร่างกายเนี่ยความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นอ่ะสัวร่างกายเนี่ะมันก็อยู่ของมันตามธรรมชาตินินาเนี่ย เนี่ยไอจิตเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นผู้ครองดูร่างกายเนี่ยมันก็ความหมายหรือความสําคัญของมันก็เลยลดลงไปลดลงไปจากใจของเราหมายความว่าความยึดมั่นถือมั่นของในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายก็ลดลงไปเบาบางลงไปน้อยลงไปอะ่ะเนี่ยใจของเรามันจึงเป็นอิสระมากขึ้นนะเพราะนั้นเวลาร่างกายเราเป็นอะไรเนี่ยที่มันเคยทุกข์มากๆเคยทรมานมากๆเนี่ยมันก็ลดลงไป ทีนี้บางทีเนี่ยเราเราเราระลึกถึงเรื่องที่มันเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันทําให้เป็นทุกข์มากๆเนี่ยพอเรานึกปักขึ้นมาเนี่ยเรื่องจากใจของเราเนี่ยมันมันมีความสงบอ่ะมันมีความเป็นอิสระมันเป็นตัวของตัวเองเนี่ยในเรื่องนั้นมันก็เหมือนกับมันอยู่ข้างนอกเลยอ่ะมันคนละส่วนกับเราเลยอ่ะเออเราจะเอามันยุ่งทําไมอ่ะเนี่ยนี่ในขณะที่ที่จิตมันตั้งมั่นอ่ะ ในขณะที่จิตมันควรแก่การงานเนี่ยมันจะเข้าใจความเข้าใจของเราเนี่ยมันมีความลึกซึ้งอ่ะอันนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มันเกิดเข้ามาเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเห็นเรื่องต่างๆเนี้ยที่มันอยู่มันมันมันมันมันมันอยู่เองตามธรรมชาติต้อมันเป็นเรื่องธรรมดาแในลูกเราสามีเราพ่อแม่เรามันจะเข้าใจเรื่องกรรมไปด้วยอ๋อเนี่โครงสร้างที่เขาทำมานีมันเป็นอย่างนี้เองนะเนี่ย ไอ้ชาตินี้ยกรรมมันมาเกี่ยวข้องกันมาพัวพันกันนะ่ะมันก็มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรนเป็นเพื่อนเป็นแฟนกันน่ะเนี่ยเพราะอะไรเพราะกรรมมันเกี่ยวข้องกันมาเนี่ยถ้าหาว่าสมมติว่าไอ้ไอ้เราการเกี่ยวข้องกันถ้าเราทํากรรมดีนะถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆยิ่งถ้าหาว่าหมดสิน้นอาสวะกิเลสเนี่ยแน่ใจว่าไม่มาเกิดอีกค่ะคนอื่นน่ะที่เกี่ยวข้องกันก็รู้อีกกันทีเลยว่า เขาต้องไปตามกรรมของเขามันเป็นคนละส่วนจริงๆใจที่ไปหลงยึดมั่นถรือมั่นเนี่ยมันไม่มีอันนี้พูดถึงในแง่ของผู้ที่หมดกิเลสแล้วเข้าใจกรรมทั่วถึงแล้วทุกอย่างมันจะขาดไปจากจิตใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยยังเป็นผู้เดินทางอยู่ทําความเข้าใจแล้วมันก็จะเบาลงเหมือนกันบางทีบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้จะ ม, มีน้ําหนักมากนะมันรู้สึกว่ามั น, ม, นมันอยู่ลึกมาก เกินกว่าที่จะใช้ความคิดธรรมดาใช้ความเข้าใจธรรมดาเนี่ยล้างออกไปนอกจากว่าเราจะต้องมาเจริญอริยมรรคณีองค์แปดตามลอยเบื้องยุคคนบาตแห่ององค์พระศา ส, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นสติปัญญาของเราจะจึงจะลึกซึ้งอย่างเข้าไปถึงอุปาทานที่มันแข็งแกร่งที่มันแน่นหนาที่มันเหนียวแน่น ที่มันรัดลดึงปิดของเราให้ติดข้องอยู่กับเรื่องต่างๆเนี่ยนี่แหละการที่เราได้มายัางสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามูลคันธักกูดีคือสถานที่กุติที่ประทับของพระพุทธเจ้าท่านใช้บำเพ็ญพุทธกิจเนี่ยอย่างที่เราได้ยินบรรยายในรถว่าเออตอนหัวขั้มท่านทำจอนบ่ายท่านทำอะไรหัวํา้มทอะไรดึก ทำอะไรตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาท่านก็ต้องเล่งพยานตรวจสอบด้วยใครนะที่เข้ามาอยู่ในขายพยานโดยเฉพาะคนที่มีถึงการละถึงเวลาที่จะต้องแตกดับไปพระองค์ต้องรีบช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะถ้าหากว่าเขาแตกดับเขาตายไปเขาจะหมดอโอกาสได้ฟังทำคำสอนของพระองค์ เนี่ยเพราะนั้นพระองค์จึงช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องน้อมจิตใจของเราสำรวมจิตใจของเราพยายามให้จิตของเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ดำเนินตามทางของพระองค์เหมือนกับว่าจะเอาสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเรานี่แหละเป็นสักขีพยานว่าเราเนี่ย มีความเคารพในพระองค์จริงๆมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์จริงๆเนี่ยเพราะความศรัทธาเพราะความเลื่อมใสเพราะความเคารพในพระองค์จึงอุตส่าห์เดินทางมาจนถึงสถานที่ประทับที่ประทับของพระองค์เมื่อมาถึงแล้วก็ยังสำรวมจิตใจสำรวมทั้งกายสำรวมทั้งจิตใจเหมือนกับว่าเนี่ยเอาชีวิตของเราเลยนะ ทั้งชีวิตทั้งเลือดเนื้อทั้งจิตวิญญาณของเราทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติบูชาพระองค์เรียกว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เต็มกำลังสติปัญญาความสามารถของเราทีนี้พระองค์ก็สอนเราแล้วว่าให้พอใจทําเหตุเราให้พอใจทําเหตุได้ขนาดไหนก็ให้พอใจเพราะเราได้ทําเหตุเต็นกําลังสติปัญญาความสามารถของเราแล้ว ผลลัพธ์เป็นยังไงอ่ะเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ว่าเราได้ทําเราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์จริงๆโดยเฉพาะการเจริญสติก็คือสัมมาสตินั่นแหละเนี่ยสัมมาสมาธิเนี่ยคิอใจของเราที่มันอยู่กับตัวเราที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยสัมมาวายามะความเพียรชอบก็คือในจิตดวงจิตดวงใจเรานี่แหละ สัมมาทิฏฐิทั้งได้ยินได้ฟังทั้งสํารวมเข้ามาในจิตใจของเราทั้งจิตใจของเราที่รู้แจ้งเพิ่มเติมขึ้นมาสัมมาสังกัปปะนะ่ยความคิดที่มันมันละลายไอ้ไรความรู้สึกที่มันจะที่มันมันจะออกไปออกไปในทางการมบ้างในทางพยาบบาทอะไรมันไม่มีมันก็น้อมมาในทางที่มันจะทําให้จิตใจเราเป็นอิสระ ทำให้จิตใจเราสะอาดทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์อะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาลบกวนเนี่ยเป็นสมาสังกปักขึ้นมาเนี่ยทีนี้ความตํารวมภายในจิตใจของเรามันก็มีมันก็รักษาจิตใจให้เป็นปกตินะพอมันจะผิดปกติขึ้นมามันรู้เท่าทันที่มันจะออกไปทางทาง กายวาจาเนี่ยที่มันจะเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะ่ะมันก็ต้องน้อยลงลดลงเนี่ยเรื่าสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมม า, าชีวูเนี่ยมันรวมเข้ามาอยู่ในจิตเราหมดนี่แหละพระองค์จริงบอกว่าอริยมรรคมีองค์แปเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลยังปฏิบัติชอบใจก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดขอ ง, องสมเด็จพระธรรมสัมพุทเจ้านี่แหละโลกจะไม่ว่างเว้นจากพระลาหนเนี่ย เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็จะมารวมลงที่อริยมรรคมีองค์แปซึ่งพวกเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วออริยมรรคมีองค์แปก็เข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราเป็นสมบัติของเราแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้ได้มาอย่างที่ประทับของพระพุทธเจ้าทั้งประเทศอินเดียึนถึง วัดเชตวันมหาวิหารซึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้า ย, ยังทรงพระชนอยู่ก็ ม, มีแวดล้อมไปด้วยภิกุภิกษุนีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมอบรมธรรมสอนธรรมเนยะมีทั้งพระธรรมทั้งวินยัยศิขยาบทน้อยใหญ่เกิขึ้นที่นี่มากมายพอที่นี่พระองค์ ทรงจำพรรษาถึงสิบเก้าพรรษาแสดงว่าสถานที่นี้ต้องเป็นมงคลต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมแก่การที่พระองค์จะประดิษฐานพุทธศาสนาให้มั่นคงเนี่ยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางในในสถานที่นี้เพราะฉะนั้นไม่เสียดีแล้วล่ะที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ได้มายังสถานที่ที่เป็นมงคลสถานที่มีความเหมาะสมแก่การบำเพ็ญกรณยียกิจของพระพุทธเจ้าเรามาก็ได้น้อมลํำลึกถึงพระองค์ด้วยจิต ด, ด้วยใจของเราอาศัยสถานที่ที่เป็นประจักษ์เป็นพยานเป็นอนุสอนนะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจทาให กำลังแห่งศรัทธาของเรามันเพิ่มขึ้นทำให้กำลังสติปัญญาของเราเพิ่มปูนขึ้นทำให้กำลังแห่งความสงบกำลังแห่งความตั้งมัน่นแล้วก็พณิธานของเราก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยการที่มาในครั้งนี้จึงเป็นเพิ่มกำลังใจเพิ่มกำลังบุญกำลังบาลมีของเรา อย่างแท้จริงเราต่อไปให้เราสำรวมจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าให้เต็มกำลังสติปัญญาความสามะให้เราได้ดูตัวเองอย่างเต็มอิสร์ตสรวมดูพระพุทธเจ้าสอนให้เราขู้นตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ลง จำเรงยจิตใจของเราเองดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองาหาว่าเราเราเข้าใจในพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้พอใจทําเหตุผลก็เป็นหน้าที่อของสภาวะธรรม มันก็จะตรงกับพาติจิอือ่นไปหมดแหละที่เขาบอกว่าอาตาปีสัมปะชาโนสติมาวีเนยะโลติอาิชาโทมนัน ส, สังเธอจะมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้มันก็มาคล้องจองกันนะเพราะฉะนั้นปลดวางใจได้เนี่ยผมสบายอยู่ในเอียบทไห น, นเราก็ปฏิบัติได้อยู่ในท่าทางแบบไห น, นเราก็ปฏิบัติได้ แม้มันทุกขึ้นมาเ อ, อเราเห็นว่ามันเกิดดับหรอกเราเอาประโยชน์จากมันได้ปีติปาโมทก็เกิดขึ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยความทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นธรรมะได้ปัญหาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้หมดหรวมใจจิตวิญญารสุดท้ายนะข้ตัวอย่างต่อไป มาถึงกราบพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ừ, ขอกราบกราบอลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์อุลเสญข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้ า, าเป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมีอายุล่วงการผ่านวัยมาเนินนานแล้วซ้ำโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ลุมเลาทั่วร่างกายเนี่ยขอพระองคอ์ได้ประทานคำสอน ด้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลักที่พื้นทางจิตทางใจเพราะโอกาสที่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามันน้อยโอกาสที่ได้พบภาษา v o k ของพระโอที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะที่เป็นเครื่องปลอบประโลมจิตใจอ่ะมันแทบไม่มีเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูกรคาริหาม บ, บดอดีคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ทางร่างกายเลยอไม่มีถ้ามีคนมาบอกว่าเออข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีโรคทางกายเบียดเียนเลยแสดงว่าคนนั้นน่ะพูดจากความโง่เขาโดยแท้ข้ยนะพเจ้าว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจ็บจะป่วยจะไข้เนี่ยก็ให้มันเจ็บปวดป่วยมันไข้เฉพาะร่างกายะแต่ว่าให้จิตใจเนี่ยมันมีปัญญาพิจารณาอกายในกายเมือนึง ให้เห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ก็จะสามารถละความยินดียินร้ายได้สามารถพิจารณาเวทนาในเวทนานึงแลยก็ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา <asted> ไม่ใช่ของเรามันเกิด <aut> ขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็จะสามารถละความยินดี ย, ยินร้าย ในโลกมีเสียได้พิจะะนารณาจิตในจิตเนืองๆไม่ว่าจิตจะนึกคิดรวงแต่งอะไรขึ้นมาก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เป็นหลงยึดมัน่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็จะสามารถละความยินดียินร้ายในโลกมีเสียให้ได้พิจะะนารณาในธรรมธรรมในธรรมเนืองๆจ น, นเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นตั้งดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ก็สามารถละความยินดียินไยในโลกนี้จะได้เช่นเดียวกันจิตใจก็จะมุ่งตรงไปสู่ความสาดบริสุทธิ์หมดจดเป็นไปเพื่อความพ้นไปจากทุกในวัฏสงสารได้อย่างแน่นอนพอคืออาบดีได้ฟังธรรมแล้วหน้าตาก็ของไใสยิ้มเย้มในฌานเย่ในครั้งที่พระเจ้ายังทรงพระโจนอยู่พอได้ฟังธรรมแล้วมันก็เหมือนมีอะไรไปหลาดลก ลงไปในจิตใจอะทําให้จิตใจมันมีความชุ่มเย็นมีความเบิกบานขึ้นมาเหมือนเราอ่ะแค่เราได้มาเห็นสถานที่หรือมายังกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้ามายังที่พระพุทธเจ้าทําพุทธกิจต่างๆในสถานที่ต่างๆเนี่ยจิตของเราก็มีความสินเอิบเบิกบานได้ขนาดนี้นะ ยิ่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ประพุตปฏิบัติตามเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เหินห่างจากพระพุทธเจ้ายิ่งเรามีธรรมะลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจเรามากเพียงใดนะเรายิ่งมีความรู้สึกใกล้จิตพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นเพราะอะไรอ่ระก็บุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคตเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้า แล้วพระองค์ก็กลับเองอ่ว่าทำวินัยที่พระองค์กลับไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจริงเหมือนกับมีศาสดาอยู่ในจิตใจของเราคำนวณจิตใจเป็นโ อ, อกาสสุดท้ายนะถ้าหาว่าเราต้องการที่จะอาศัยสถานที่หรือว่ากุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัีพยาน ว่าในนิสอนเนี่ยเราตั้งปณิธานเพิ่มกําลังจิตใจของเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ตั้งปณิธานต่อหน้าพระพักของพระองก็จะทําให้จิตใจแล้วนีมีกําลังใจมีพลังจิตใจเนี่ยที่จะประพฤติปฏิบัติตามปณิธานที่ดีงามที่เราตั้งเอาไว้ เวลาที่เรากำลังใจเราตดถอยมีเรื่องราวอื่นเข้ามาที่มันจะมาบดบงังมาปิดบังปณิธานของเราที่จะประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากำลังใจที่มันเกิดจากการที่เรามาอย่างสถานที่นี้มันจะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราไม่ให้ทอถอยไม่ให้อ่อนแอเนี่ยไม่ให้ล้มเลิกดปณิธานของเรา เราก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องมีปณิธานที่แน่วแน่เหมือนกันตั้งความปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไม่เคยท้อถอยไม่เคยย่อท้อเลยเพจริญบุญกุศลคุณงามความดีจเจริญสติเนี่ยตลอดเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มกําลังแห่งสติปัญญา จนกระทั่งตัดปารุเป็น พ, พระพุทธเจ้าได้เราสมรวมเป็นโอกาสสุดท้ายนะตั้งปณิธานเดยด้อยแล้วเป็นตัวของตัวเองจากนั้นก็ให้เราได้อุทิศบุญนะนะอุทิศบุญมันก็มีสัตว์หลายประเภทที่ต้องการบุญบุญเนี่ยมันทำให้เขามีกำลังทำให้มีฐานุภาพที่จะช่วยเหลือาศาสนาได้ดีช่วยเหลือ รักษาสถานที่นี้ได้ให้เราตั้งใจกรานาคพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดยบรรดาบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปกปัก ร, รักษารคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้และก็ที่ต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้เรียกว่าจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดก็ตามนะก็ขอให้มารับบุญ ขอข้าวเจ้าโดยเถิดเมื่อรับบุญแล้วก็ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการได้สิ่งที่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอานุภาพเป็นอิทธิฤทธิ์หรือเป็นอำนาจอันเป็นทิศก็ขอให้บริบูรณ์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ กราบไหว้บูชาเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้ที่มายังสถานที่นี้เกิดความเกิดกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราสนับสนุนส่งเสริมอุทิศบุญไปให้แต่ลอจนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ทุกชั้นทุกภูมิผู้ที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ ก็ขอให้ยินดีรับอาวุญนี้ด้วยเถิดเมื่อรับอาวุญแล้วต้องการสินใดให้สมความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแห่แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วก็ให้มาปกปักรักษาคุ้มครองขี้เหลือเชื่อ น, นิสข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าทําสินใดก็ขอให้มีแต่ความราบรื่นมีความสมําเร็จมีความเจริญนรนุ่งเรืองให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด ้าพะเจ้าจะมั่นอุทิ์บุญให้กระเดืองวิญญาณทั้งหลายเรื่อยๆไปต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันตลอดไปเชอวันนี้พ่อแค่ง